การเจริญสติรู้อายตนะหกหนึ่งรู้ในตารู้รูปที่เห็นรู้กิเลสเครื่องผูกใจที่อาศัยตาประจวบรูป 2. รู้หูรู้เสียงที่ได้ยินรู้กิเลสเครื่องผูกใจที่อาศัยหูประจวบเสียง 3. รู้จมูกรู้กลิ่น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 ที่อาศัยใจประจวบความนึกคิดนอกจากรู้กิเลสเครื่องผูกใจในขณะแห่งการประจวบกันระหว่างอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกแล้วกิเลสที่ยังไม่เกิดจะเกิดด้วยเหตุใดก็รู้และสำรวมระวังกิเลสที่เกิดแล้วจะละได้อย่างไรก็รู้กิเลสที่ละได้แล้วจะไม่เกิดอีกได้อย่างไรก็รู้